อดูคําว่าเจตนาเจจํานวนต่อเนาะทําความเข้าใจกันให้ชัดในเรื่องของเจตนาในเรื่องของกรรมเนี่ย น, น, นะเดี๋ยวเราจะได้ไปศึกษาในเรื่องของทิฏฐะธรรมเวทนียกรรมเป็นต้นเลยเรียนกันให้จบก่อนที่จะตายกันโอ้อางานดี เวทนาหังพิกเวกัมมังวดามิเจตยิตรวามนาาัสะความหมายและประเภทของกรรมก่นนักรรมแป ล, แปลตามศัพท์เขาแปลว่าการงานใช่ไหมแปลว่าพวกเราเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยที่มีกระบวนการดําเนินไปตลอดเวลาเขาเรียกการงานหรือการการะทําแต่ในทางธรรมะ ต้องจำกัดความจำเพาะลงไปหมายถึงการกระทำที่ประกอบไปด้วยเจตนานะทีนี้การกระทำที่ประกอบไปด้วยเจตนาหรือเจตจำนงความจงใจเนะี่ยถ้าเป็นการกระทำที่ไม่มีเจตนาก็ไม่เรียกว่าเป็นกรรมในความหมายของทางธรรมะทีนี้ความหมายที่กล่าวมั น, นี้เป็นความหมายแบบกลางๆเป็นการกล่าวคุมๆแล้วกว้างๆเขาไว้อย่างที่ได้บอกไว้แล้วถ้าจะให้เช็ ชัดเจนมองถึงเนื้อหาขอบเขตที่ชัดแจ้งเนี่ยก็พิจารณาการแยกแยะในแง่ในระดับต่างๆถ้ามองให้ถึงตัวแท้ของกรรมหรือมองให้ถึงต้นต่อก็เป็นการมองโดยตรงเฉพาะตัวกรรมก็คือเจตนาใช่ไมคือเจตจานงเนี่ยความจงใจเนี่ยการเลือกการตัดสินใจมุ่งหมายที่จะกระทำทีนี้ที่ได้พูดถึงเมื่อวานนี้พูดถึงในเรื่องคาว่า พงแต่งสร้างสารรค์ทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นตัวแท้ของกรรมดังพุทธพจน์ที่บอกว่าเจตนาหังพิกขเวกรรมัมมังวธามิก็แปลว่าพลิกษุทั้งหลายเจตนานั่นเองเราเรียกว่ากรรมบุคคลจงใจแล้วก็ทําด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเป็นต้นนีอันนี้มองถึงตัวเนื้อแท้ของตัวกรรมเลยนี่บ่งบอกไปที่ตัวเจตนาใช่ไหมแต่การที่กรรมจะสำลิดผลลงได้เนี่ยแค่เจตนาตัวเดียวสำลิดลงไม่ได้สำลิดผลไม่ได้ ก็ต้องมีองค์ประกอบองค์รวมประกอบไม่ใช่แค่เฉพาะเจตนาเท่านั้นใช่ไหมการที่จะสําเร็จลงเป็นกุศลกรรมมกุศลกรรมนี่จะต้องอาศัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้หรือองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถึงจะให้กรรมนั้นสําเร็จผลลงได้ถ้ามองในลักษณะขยายออกไปให้เห็นตัวการอื่นๆ ก็คือมองเข้าไปถึงภายในกระบวนการแห่งชีวิตของบุคคลแต่ละคนก็จะเห็นกรรมในแง่ขององค์ประกอบซึ่งมีส่วนรวมอยู่ในกระบวนการแห่งชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยในการปรุงแต่งโครงสร้างวิถีที่ดำเนินไปของชีวิตนั้นๆทีนี้กรรมในแง่นี้ตรงกับคําว่าสังขารเช่นอย่างที่หัวข้อหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทที่แปลกันว่าอาวิชาแล้วก็มาสังขาร สังขารนี่หมายถึงสังขารสามจำได้ไหมมีอะไรบ้างปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอเนียนชาพิสังขารโอ้นี่พูดถึงเรื่องการปรุงแต่งเลยแล้วก็เป็นกายะสังขารวจีสังขารจิตตสังขารเป็นสังขารหเลยนะแต่เนี้ยอดไปใหญ่แล้วแต่นี้ขยายใหญ่เลยวปุญญาพิสังขารแปลว่าอะไรเกจำนงการจงการปรุงแต่งในเรื่องของบุญ ไอตัวปุญญาพิสังขารในที่นั้นก็เป็นชื่อของเจตนาที่เป็นไปในกุศลในมหากุศลแล้วก็ในรูปกุศลในรูปกุศลเลยเออไม่ข้อพายแค่รูปกุศลอย่างเดียวใช่ไหมอันนั้นเป็นอะไรเป็นปุญญาพิสังขารปรุงแต่งบุญส่วนอปุญญาพิสังขารเจตนาที่เป็นไปในอกุศลเจตนาที่เป็นไปกระโลภะโทสะโมหะความโลภใช่ไหม ถ้าอนเนนชาพิสังขารหมายถึงเจตนาในไห น, ไหนจำได้ไหมช่วยจำหน่อยอนเนนชาพิสังขารเอาเจตนาในไห น, ไหนอา้าวไม่มีใครตอบเลยอนเนนชาพิสังขารเจตนาในไห น, ไ, หนไม่ช่วยกันคิดเลยเอเอทำไมนินตอบได้ทั้งท้งที่ไม่ได้เรียนรู้เลยเป็นเจตนาที่ไหนอรูปกุศล เจตนาที่ในรูปกุศลเจตนาที่ในอรูปฌานทํน า, าทไมจึงเรียกว่าอาเนนชาวิสังขารเพราะเป็นสังขารประเภทที่ไม่หวั่นไหวเป็นประเภทสังขารที่มีความมั่นคงเพราะเป็นอรูปฌานเจตนาที่เป็นไปในอากาสารัญญายจตนากุศลวิญญาณัญญาเตนากุศลอากินัญญาเจตนากุศลเนวะสัญญาณาสัญญาเจตนากุศลเป็นอรูปสมาบัติ ฉะนั้นจึงเรียกว่าอาเนนชาพิสังขารเป็นประเภทสังขารที่มีความตั้งมั่นไม่หวันไหวใช่ไหมมองเห็นนี่ยังว่าสังขารตัวเนี้ยพอมองถึงในเรื่องตัวกรรมที่เป็นในเรื่องของสังขารเนี่ยสังขารที่เป็นบุญสังขารที่เป็นบาปสังขารที่เป็นอาเนนชะนี่มอ ง, ก ว, งกว้างออกไปใ น, ในเจตนาเป็นตัวนําซึ่งแต่งจิตให้ดีให้ชั่วหรือให้เป็นกลางกลาปรุงแต่ง นึกคิดในใจแล้วก็การแสดงออกาทางกายทางวาจาตามแบบต่างๆก็คือการคิดปรุงแต่งเป็นความหมายในแง่นี้ก็คือยึดเอาเจตนานั่นเองเป็นหลักบางครั้งท่านก็แปลง่ายๆบอกว่าสังขารคือตัวเจตนานั่นเองใช่ไหมเริ่มเห็นนี่ยังถ้ามองลึกเข้าไปเป็นทกกายยาสังขารก็ปรุงแต่งกายวิจีสังขารก็ปรุงแต่งวาจาจิตตสังขารก็ปรุงแต่งจิตอันนั้นก็เป็นสังขารหกมาเลย จากปุญญาปุญญาเนรชาแล้วก็กายะสังขารวิจิสังขารแล้วก็จิตตสังขารเริ่มเห็นความวิจิตบัญจงของกรรมของเจตนาอย่างต่อไปอีกแต่เนี้ยมองออกไปข้างนอกคือมองนี้ของชีวิตที่จะสําเร็จรูปเป็นหน่วยหนึ่งหนึ่งหรือเป็นของชีวิตด้านนอกอย่างเป็นหน่วยรวมหนึ่งหนึ่งตามสมมุติที่เรียกเราหนาบุคคลคนหนึ่งอ่ที่ดําเนินชีวิตอยู่ในโลก เป็นเจ้าของบทบาทของตนของตนต่างหากกันไปกรรมในแง่นี้ก็คือการทำการพูดการคิดหรือการนึกคิดการแสดงออกมาทางกายทางวาจาหรือพฤติกรรมที่เป็นไปต่างๆซึ่งบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับผลเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะมองในแคบๆมองเวลาเฉพาะหน้าหรือกว้างออกไปในอดีตอนาคตก็ตามกรรมในความหมายนี้เข้ากับความหมายกว้างๆที่แสดงข้างต้นน่นะทีนี้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 ว่าเราได้ทําบาปไว้ดังนี้บ้างน่าสังเกตนะเท่าที่สอนกันอยู่กโดยมากก็คือว่ากรรมในความหมายแล้วเนี่ยมักเน้นแต่ในเรื่องของอดีตแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูในวาเสร็จในเศรษฐสูตรเนี่ยในวาเศรษฐสูตรที่บอกว่าดูก่อนวาเศรษฐ ท, ท่านจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยโคร ก, กรรมเลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็นชาวนาเข้าใจคำนี้ไหมเอาคำว่าอาศัยโครักกรกกรมเลี้ยงชีพแปลว่าอะไร <c oughs> ก็คือไถนาเนี่แหละอาศัยโครักกรกกรมเลี้ยงชีพก็คือการไถนานก็ใช้วัวใช่ควายใช่ไหมคนนั้นเป็นชาวนาไม่ใช่พราหม์ใช่ไหมพราหม์ในที่นี้แปลว่าอะไร พรหมณ์แปลว่าผู้ประเสริฐนะหมายถึงพระอริยะหมายถึงพระอรหันด้วยผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิละปะต่างๆผู้นั้นเป็นเป็นอะไรเป็นศิลปินไม่ใช่พราหมณ์นะผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าอย่าง้ยมเจียกเป็นเนี่ยใช่กรรมไหม ในแหละการงานก็คือกรรมเนี่ยตอนนี้กําลังทํากรรมอยู่อาศัยการเลี้ยงอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าไปผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยการรับใช้คนอื่นผู้นั้นเป็นเป็นอะไรเป็นคนรับใช้ไม่ใช่พรามณ์ผู้ใดอาศัยการลักทรัพย์เลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นเป็นโจร <c oughs> ผู้ใดอาศัย สัตราอาศัยลูกศรเลี้ยงชีพสมัยก่อนไม่ใช่เขาเรียกทหารอาศัยปืนเนี่ยเลี้ยงชีพเป็นตำรวจเป็นทหารใช่ไหมใช่ไหมเมงนั่นแหละก็ต้องมีปืนมีอาวุธเลี้ยงชีพผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยหน้าที่ปุโรหิตผู้นั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่การบูชาหาใช่พราหมยผู้ใดปกครองบ้านเมือง เป็นใหญ่ในบ้านเมืองนั้นผู้นั้นเป็นอะไรเป็นพระราชาหาใช่พราหมีเราเรียกคนที่ไม่มีกิเลสทางใจไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นพราหมณ์คนไม่ได้เป็นพราหมณ์เพราะชาติกาเนิดแต่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมเป็นชาวนาก็เพราะอะไรเพราะกรรมใช่ไหม เป็นศิลปินก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เพราะกรรมเป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรมเป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นทหารก็เพราะกรรมใช่ไหมก็เพราะกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นต้นแม้เป็นข้าราชาการทั้งหลายก็เพราะกรรมเป็นนักบวชเพราะกรรมไหม แล้วหนูเป็นนักเขียนเนี่ยเป็นเพราะเพราะกรรมป่ะเพราะกรรมเพราะกรรมอะไรเพราะกรรมอะไรเพราะกรรมในอดีตรหรือเพราะกรรมปัจจุบันเป็นข้าราชการเพราะกรรมในอดีตรหรือกรรมปัจจุบันเป็นพ่อค้าเพราะกรรมในอดีตรหรือกรรมปัจจุบันนินเป็นอะไร เป็นอะไรทําท hmm. ํางานอะไรอยู so ่ตอนนี้ยเห็นไหมว่าจริงๆตรงนี้ท่านต้องการชี้อะไรเนี่ยท่านต้องการชี้อะไรให้เราเห็นนะต้องการชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจตจำนงหรืความจงใจหรือความตั้งใจตัวสังขารตัวกรรมทั้งหลายเหล่านี้ ที่มันปรุงแต่งกระบวนการความคิดนี้ที่ทําให้มนุษย์ปรารถนาที่จะเป็นนี่แหละเห็นไหมว่าเจตนามันเป็นใหญ่มากคนไม่ได้เป็นพรามเพราะจะเป็นพรามก็เพราะกรรมไม่เป็นพรามก็เพราะกรรมก็คือจะไม่มีกิเลสค้างคาใจาเพราะเจตจํานงและความจงใจตั้งใจที่จะเป็นนี่แหละไอ้ตรงนี้รายละเอียดตรงนี้ถ้าเจาะให้ลึกจริงๆแล้วมันจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะอา้าวตอนี้เราจะเห็นการผิวเผินวะ่าโอจะเป็นชาวนาจะเป็นชาวสวนจะเป็นชาวไร่นี่ยนะ จะเป็นข้าราชการเป็นหมอเป็นครูเป็นตำรวจเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ที่ทำกิจกรรมต่างๆเป็นช่างอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ก็เพราะเจตจํานงและความจงใจและตั้งใจที่จะเป็นนี่กรรมเป็นอย่างนี้เนี่ยกรรมเป็นอย่างนี้เลยนะมองเห็นได้ยังว่าจะเป็นอะไรได้ก็เพราะกรรมเนี่ยทีนี้ประการต่อมาเอาเจาะลงไปอีกตอนนี้เราปรารถนามาทําอะไรกันอยู่ตอนนี้ยมาทําอะไร อันนี้เพราะอะไรเพราะเจตนาเพราะกรรมนี่แหละเพราะความจงใจตั้งใจที่จะมาศึกษาพระธรรมเนี่ยนี่เพราะกรรมใช่ไหมอา้าวลงไปอีกว่าคนบางคนเนี่ยจะเป็นคนเด็กคนที่เป็นคนขี้โกรธเนี่ยเพราะกรรมไหมเด็กคนที่มีความกำหนัดยินดีเพราะกรรมไหม เราจะมีบุคลิกภาพอย่างไรจะทําอะไรทั้งหลายเหล่านี้ยจะเป็นเรื่องรายละเอียดเจาะลงไปเราจะเห็นเลยนะเพราะกรรมจริงนะอัธยาศัยที่เราสั่งสมที่เรากําลังทํากันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยในรายละเอียดทั้งหลายเหล่านี้ยเป็นเพราะกรรมเลยจะเป็นคนชอบนั่งหลับก็กรรมอีกเหมือนกันเลยเพราะเจตนาเจตจํานงจะคนชอบตั้งใจในการยิ่งฟังก็เพราะกรรมอีกแหล ะ, ะฉลาดเนี่ยเพราะกรรมไหมไม่ฉลาดเพราะกรรมไหม ลองนั่งแบบมืนมืน่นเดืองนั่งนั่งเทนั้นไม่สนใจนะไม่สนใจมันก็เพราะเจตเจตจำนงความจงใจจริงๆแล้วมันจะเป็นไปอย่างนั้นเลยนะเออมนุษย์เป็นอย่างนี้จริงๆนั้นในรายละเอียดตรงเนี้ยใช้เจตนาให้เป็นแล้วจะเป็นประโยชน์เดี๋ดูอีสูตรหนึ่งนะในอคัน ญ, ญสูตรอคันยะครั้งนั้นแลพวกสัตว์ ที่เป็นผู้ใหญ่ก็มาประชุมกันขั้นประชุมกันแล้วต่างปรับทุกกันว่าท่านเอ่ยทำชั่วร้ายทั้งหลายปรากฏขึ้นแล้วในหมู่สัตว์ทั้งหลายเสียแล้วหนออันเป็นเหตุให้การลักทรัพย์ก็ปรากฏการตีเตียนกันก็ปรากฏมีการพูดเท็จก็ปรากฏมีการถือไม้พรองก็ปรากฏมียา ก, กันนั้นเลยพวกเราจะเลือกตั้งสมมุติสัตว์ผู้หนึ่งขึ้น ให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวโดยชอบให้เป็นผู้ตําหนิผู้ที่ควรตําหนิโดยชอบให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบพวกเราจะแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้นดังนี้มีแปลว่าอะไรอ่ะในอคัญยสูตรเดี๋ยวขอเล่าคร่าวๆอย่างนี้นะใครเคยอ่านไหมเคยอ่านอคั ญ, ญยสูตรไหมเอาเล่าให้ฟังหน่อยที่เป็นไงอคั ญ, ญยสูตรในอคั ญ, ญยสูตรเนี่ย แต่ก่อนเนี่ยโลกใบนี้อุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีทรรมชั่วร้ายเกิดขึ้นคือมนุษย์เนี่ยมาใหม่ๆเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมสูงมากใช่ท่านใช้คำว่าอาพัสระแปลผู้มีแสงฉะนั้นเวลามาเนี่ยไม่ต้องกินอาหารแล้วกม็มาเนี่ยไม่มีเพศปรากฏ ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายมีความสว่างรุ่งเรืองมากใช่ไหมแต่พอมาอยู่นานเข้านานเข้าเนี่ยไอ้แสงที่เคยสว่างรุ่งเรืองก็ค่อยๆเฉาลงเฉาลงเพราะอะไรอา้าวทำไมแสงถึงค่อยๆอับแสงลงอับแสงลงจากแสงสว่างทำไมค่อยๆลดลงเพราะอะไรเอ่อเพราะกาลังของปลาโมดปีติปัปะสสทิในใจเนะี่ยลดลง ทุกวันเนี่ยพวกเราแสงในตัวแทบจะไม่มีเหลือแล้วให้สังเกตดูวนี้ทวันขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งพวกเราเนี่ยไอ้ปลาโมดมันเกิดตลอด ไ, ได้ไหมถ้าใครทำได้คนนั้นจะมีแสงสว่างกลับคืนมาใหม่เราช่วยทำหน่อยสิทำให้เกิดความเบิกบานไม่งดหงิดอะไรเลยเนี่ยไปนั่งไปยืนไปเดินไปนอนไปทำกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็มีปลาโมด มีจิตล่าเริงหายใจเข้าจิตโปร่งเบาหายใจออกตลอดเวลาเลยนะจิตล่าเริงเบิกบานโปร่งเบาตลอดเลยทั้งยืนทั้งเดินเนหายใจเข้าหายใจออกจิตเบิกบานจิตโปร่งโล่งเบาตลอดทําได้ไหมช่วยทําหน่อยสักห้าวันเนี่ยแล้วแล้วท่านทั้งหลายจะมีแสงออกจากตัวใหม่จะเริ่มมีแสงมีมีความล่าเริงโปร่งใสหมทั้ทั้งที่น่าจะลองทํากันดูใช่ไหม มีสติกำกับอยู่กับตัวแล้วก็ช่วยทําความล่าเริงเอาทำตอนนี้ก่อนก็นได้ตอนฟังธรรมะเนี่ยทําให้เกิดความล่าเรงเ <c oughs> บิกบาน <c oughs> นี่พยายามทําความล่าเริงเ <c oughs> บิกบานเนี่ยทําปลาโมดเนี่ยปลาโมดชาภาหูโลพิกุใช่ไหมประสันนะพุทธศาสนาเป็นต้นเหล่านี้ที่บอกว่า พิษุผู้มากด้วยปราโมทปฏิบัติตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพานฉะนั้นให้ทํำปราโมทให้เกิดตลอดเม่งทําได้ไหมทําจิตเบิกบานเนี่ยทุกลมห า, ออกกาหายใจเข้าออกะจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโปร่งเบาวหายใจออกท่องไว้ก่อนก็ได้ จิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโปร่งเบาหายใจออกหรือทําจิตเบิกบานหายใจเข้าทําจิตโปร่งเบาก็หายใจออกมาท่องไว้ถึงมันยังทําไม่ได้ท่องนําร่องไว้ก่อนฉะนั้นพอพูดถึงตรงนี้ก็พูดถึงในเรื่องของอจิตเบิกบานเอาอะไรเป็นปัจจัยทําให้เราสามารถทําความทำํำ ทำปราโมดให้เกิดได้อย่างต่อเนื่องอะไรอะไรเราจะทำอย่างนเคยคิดอยากจะทำตลอดไหมเคยคิดปรารถนาอยากจะเป็นคนมีจิตเบิกบานตลอดเวลาไหมเคยคิดไหมแล้วพยายามทําไหมแล้วเราคิดถึงเรื่องอะไรเราถึงจะมีปราโมดเกิดได้อย่างต่อเนื่องคิดวัตคุณอย่างนี้ แล้วชีวิตเรามันคิดเพื่อตะคุณตลอดได้ไหม้วคิดเรื่องอื่นได้ไหมแล้วมองมองหน้าคนอื่นเนี่ยปลาโมดเกิดได้ไหมทำไมทาไมไม่ตั้งใจทำลองช่วยทำสักเจ็ดวันได้ไหมก็ทำกิจกรรมไปด้วยแล้วก็ให้ปลาโมดหล่อเลี้ยงจิตใจไปเรื่อยเรื่อย เดี๋ยวเราอยู่กันที่นี่ก็ลองฝึกกันอย่างนี้ดีไหมเจอหน้ากันก็ดีคุยสนทนากันก็ดีให้หล่อเลี้ยงปลาโมดในใจตลอดเอาเป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานกันเลยดีไหมนะนี่เริ่มต้นแล้วนะเอาหนึ่งสองสามเออคืออย่างนี้ห้ามทุกคนนั่งหงอยเหงาเศร้าซ้อย ให้ทุกคนเข้ากล้องนหนูกล้องเขาถ่ายจับหนูต้องไปตัดออกนะี่ทอย่างนี้ไอตัวปราโมทเนี่ยปราโมทเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นปีติอย่างอ่อนเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานปราโมทจะเกิดได้ด้วยอวิปปิสาร อาวิปิสสนาเนี่ยคือความไม่เดือดร้อนใจไอ้ความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยมาจากอะไรมาจากตัวกุศลศีลที่มีกำลังกายสะอาดวาจาสะอาดอาชีพบริสุทธิ์เนี่ยหรือการมนุษสิการถึงกระแสชีวิตในเรื่องของเราเป็นคนที่มีกายสะอาดนาะวาจาสะอาดหนาะอาชีพบริสุทธิ์ เราได้ทํากิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีงามได้ปัดกวาดเช็ดถูได้ดูแลสถานที่ปฏิบัติได้อดดอกไม้บูชาพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่นะเราได้จัดอาหารถวายสงฆ์ได้จัดอาหารให้กับผู้ปฏิบัติเราได้ดูสถานที่ให้สะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็คือเราได้ฝึกจารีตศีลของเราให้บริบูรณ์เน้ะเนี่ยเราเป็นพ่อแม่ทําหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่ต่อลูกเป็นลูกทําหน้าที่ต่อพ่อแม่ เป็นสิทธิ์ทําหน้าที่ต่ออาจารย์อาจารย์ทําหน้าที่ต่อสิทธิ์ได้ดีอย่างเงี้ยนะเป็นสามีต่อปฏิบัติต่อภรรยาภรรยาปฏิบัติต่อสามีเป็นเพื่อนปฏิบัติต่อเพื่อนทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นในขณะที่เรากระทาไปเนี่ยมันเป็นจารีตเป็นกุศลศีลที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆแล้วก็เป็นทานกุศลที่เราทําเป็นศีลกุศลที่เราทําแล้วก็คิดถึงคุณของพระรัตนตรายเป็นต้นเหล่าเนี้ สิ่งดีๆทั้งหลายที่เรามานาสิการแล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลามานาสิการด้วยการกระทำบ อ, อกมาทางกายทางวาจาด้วยเนี่ยทําติดต่อต่อเนื่องตรงนี้ปุ๊บไอ้ตรงนี้แหละจะทําให้เราไม่เดือดร้อนใจไอ้ความไม่เดือดร้อนใจเหล่านี้มันจะผักดันเป็นปลาโมดขึ้นมาแบบปีติแบบมันอ่อนขึ้นมาจิตมันจะเบิกบานจิตมันจะโปร่งจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโปร่งเ บ, บาหายใจออกทุกลมหายใจเข้าลึกลมหายใจออกเนี่ยไอ้ตัวปราโมดเจ็บตัวผักดันออกมา ผักดันออกมานั้นทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตเบิกบานตรอดให้พวกเราฝึกอย่างนี้เป็นขั้นพื้นฐานต้องฝึกแบบนี้ถ้าใครทํานั่งอีกนั่งงอต้องเสียอะไรดีต้องโดนปรับใช่ไหมถ้าใครบอกหน้าทํหน้างงอปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเราก็บอกทันทีนี่คุณไม่ได้ปราโมชะพราหุโลพิโคใช่ไหม คุณไม่ได้ความเจริญในพระสถานแสดงว่าคุณไม่ปฏิบัติตามพระศาสนาตามคําสอนของพระบรมศ า, ษ า, ษาสดานี่เห็นไหมเพราะคุณทําจิตให้คุณมัวจิตเศร้าหมองให้เกิดขึ้นอันนี้แปลว่าขั้นพื้นฐานสุดๆไม่ได้คุณอยู่ไกลพระนิพพานด้วยไม่อยู่ใกล้พระนิพพานนั้นทําไมนั่งก็ปลาโมดยืนก็ปลาโมดปราโมดเข้าใจแล้วนะแปลว่าอะไรเบริกบานจิตเบิกบานจิตโปรง่งโล่งเบา จิตโปรง่งจิตโล่งเบาดินอ่อนกว่าถึงนี้ศีลกุศลศีลน่ยทั้งจารีตวารีตเนี่ยเป็นปัจัยเกิดอวิปปิสารคือความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจเป็นปัจัยเกิดปราโมดปราโมดมีกำลังมากขึ้นถึงจะเป็นปีติใช่ไหมเอาปราโมดก่อนทีนี้ประเด็นว่าที่ปราโมดไม่เกิดเพราะเราเดือดร้อนใจ เราคิดเรื่องอะไรแล้วก็กุ้มนั่นเองมันกุ้มคิดถึงลูกน้องก็กุ้ม <c ười> คิดถึงเพื่อนก็กลุ้มใจคิดถึงพ่อกลุ้มใจคิดถึงแม่ก็ก้มใจคิดถึงพี่ก็ก้มใจคิดถึงส า, ามีภรรยาก้มใจหมดคิดถึงติดก้มใจคิดถึงอาจารย์ก้มใจแล้วก็แต่นเนี้ยนะคิดถึงอะไรต่างมันรู้สึกมันไม่สบายใจอันนี้บง่งบอกให้เห็นชัดว่ามันมาจากอะไรใช่ มันเดือดร้อนใจคิดแล้วเดือดร้อนใจถ้ากายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดเนี่ยมันจะไม่เดือดร้อนใจทีนี้ไอตัวกุศละศีลเนี่ยที่เราประพฤติกุศลละศีลกันได้ดีเนี่ยในชีวิตจริงๆที่เราสามารถแพ่ขยายศีลได้ทุกเรื่อง เ, อเราอยู่กับเราอยู่คนเดียวก็สามารถประพฤติศีลได้ศีลอะไรอยู่ในห้องประพฤติศีลก็ไหน แล้วมันหงุดหงิดเนี่ยบางทีทไปหงุดหงิดไปหน้าก็งอไม่ไม่จะทําทแล้วหงุดหงิดเคยเป็นไหมอยู่ในห้องนี่แหละหงุดหงิดนี่แหละไอ้ตรงนั้นก็ลกอ ก, อ ก, ลกไอ้ตรงนี้ก็ลอกใช่ไหมเข้าใจเนี่ยตรงเนี้ยในขณะที่เราทําความสะอาดในห้องนี่เป็นศีลไหมเป็นอะไรเป็นศีลประเภทไหนจารีตหรือว่ารี คำว่าจารีตนี่แปลว่าอะไรทําตามแบบอย่างทําตามประเพณีของอริยชนเขาอริยชนเขาอยู่ยังไงเขามีห้องที่สะอาดปัดกวาดเช็ดถูที่เรียบร้อยยังไงเป็นต้นแล้วก็มีความสุขกับการได้ทำตรงนั้นเพราะเห็นพราพรากุศลเดินในใจปราโมทมันเกิดตลอดเลยเนี่ยเนี่ยพอเดินเดินกุศลศีลผ้าก็วางกองไว้ทั่วมั่วไปหมดอันนี้แปลว่าไม่มีศีล เห็นมเนี่ยคือคือเป็นคนที่จัดระบบชีวิตได้ดีจะเป็นศีนลแหละตรงนี้สําคัญมากเลยนะเป็นเจตถามว่าเจตันไอ้อตัวจารีศีลเ น, นี่ยมาจากอะไรเจตนาใช่ไหมเจตนาว่าจากความเพียรมาจากศรัทธาพวกนี้กลุ่มพวกนี้แหละเพราะมีเจตนาดีอย่างเดียวไม่พอต้องเพียรที่จะพยงกายขึ้นไปไปทำความสะอาดด้วย เพียรที่จะขับเคลื่อนกายกรมรมวิจิกรรมตนเองพฤติกรรมตนเองให้ไปทําให้เรียบร้อยทําให้สะอาดในขณะที่เกิดความเพียรในขณะนั้นสภาพใจต้องดีด้วยเพราะใจไม่ดีไม่เป็นศีลใช่ไหมมันจะเป็นอกุศลและศีล น, นั้นใจต้องดีใจต้องผ่องใสต้องปราโมทย์ด้วยแม้แต่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยในขณะที่นั่งฟังธรรมเนี่ยเป็นกุศลกลุ่มไหนเอาการฟังธรรมด้วยความเคารพ เป็นทานกุศลศีลกุศลหรือเป็นภาวนากุศลฟังด้วยความเคารพเป็นศีลการฟังเนี่ยเป็นแบบอริยชนทั้งหลายเข า, เขาต้องต้องสั่งสมสุตตะตลอดไหมเนี่ยการฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความน้อมน้อบางคนเนี่ยฟังไม่เคารพเนี่ยฟังทําให้เคารพฟังไปคุยไปฟังไปเล่นไปฟังไปอะไรไปก็ไม่รู้แล้วฟังไปแล้วหลับสบระงกไปเที่ยวเคารพไหม เคารบไหมอย่างนี้เขาเรียกไม่เคารพฟังแล้วจิตเศร้าหมองก็ไม่เคารพจิตคุณมัวไม่เคารพงั้นต้องต้องฝึกตลอดพวกเราต้องมีหน้าที่ฝึกนี้ทำปราโมทให้เกิดขึ้นอยู่คนเดียวก็ฝึกให้ปโปรง่งให้โล่งตลอดอย่างหน่อยอย่าซึมได้หลายคนเนี่ยฟังไปอย่างนั้นแหละหน้าตาเศร้าหมองซึม จิตใจไม่เบิกบานไม่โปร่งไม่โล่งไม่ไม่เกลี้ยกล่ำเลยเนี่ยนั่นต้อฝึกถ้าฝึกตัวนี้ไม่ได้อย่าพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมข้ออื่นเลยแปลว่าข้ามเลยทงไปหมดแล้วนั้นต้องฝึกให้ได้อย่างนี้ในชีวิตจริงนะเนี่ยฝึกให้ได้ในชีวิตจริงให้ได้ปราโมดตลอดให้ได้ความเบิกบานโปร่งโล่งเบาได้ความสุขนะได้ได้ได้ความปราโมดในด้านของการ ทำในสิ่งที่ดีเจริญในสิ่งที่ดีฝึกคิดในเรื่องที่ดีดทั้งหลายเลยนี้เป็นต้นฝึกให้ได้ติดต่อและต่อเนื่องให้ได้นี่คือปราโมมาจากเจตนาคือความจงใจตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นกุศลลาศีนมีอะไรเป็นเหตุใกล้อาศีนจะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้ใกล้คิดเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าปราโมดเอาวิปฏิสาลอยไหม มีศีลเป็นเหตุใกล้ชิดความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยเมื่อความไม่เดือดร้อนใจเกิดขึ้นมากขึ้นก็จะทําให้ปราโมดเกิดปราโมดก็จะเป็นปัจัยแกป่ปีติปีติก็เป็นปัจจัยเกิดความผ่อนคลายความผ่อนคลายก็จะเกิดเป็นปัจัยเกิดสุขสมนัตสุขสมนัตก็จะเป็นปัจัยเกิดสมาธิสมาธิก็จะเป็นปัจัยเกิดปัญญาใช่ไหมปัญญามีสมาธิเป็นเหตุใกล้สมาธิมีสุขสมนัติเป็นเหตุใกล้สุขสมนัตก็มีปัจส่อนคลายเป็นเหตุใกล้ ปัสถีผ่อนคลายนี่ก็มีปีติเป็นเหตุใกล้ปีติก็มีปราโมดความโปร่งโล่งเบานีเป็นเหตุใกล้ปราโมดก็มีความไม่เดือดร้อนใจเป็นเหตุใกล้ความไม่เดือดร้อนใจก็มีศีลเป็นเหตุใกล้แล้วอะไรเป็นเหตุใกล้ของศีลเดี๋ยวนิโสอ้าววันวันค่อยๆตอบไปเอาอโยนิโสตัวเดียวก่อนเนาะเจตนาเจตจำนงไปใหญ่แล้วเอาตัวมีอะไรเป็นเหตุใกล้ศีล นั่นโยนิโสเอานั่จะเอาส ม, มาสังกปะอีกแล้วทำไมใจเบาด่วนได้ใจง่ายจัง <c oughs> ไม่ใช่ก็เดี๋ยวเอาโยนิโสเดี๋ยวเอาเจตนาเดี๋ยวก็เอ า, เาเเอะไรส ม, มาสังกปะก็ไม่แน่ไงล่ะเล่นดักไว้หมดน่ะเ <c oughs> ข้าใจยงัง <c oughs> อ๋อเอางั้นเลย <c oughs> เอาเอาว่ามาอะไรอะไรเป็นเหตุใกล้ของศีล ถามแล้วนะว่าชีวิตเราจริงๆเนี่ยเวลาเราจะเจริญศีลเนี่ยเราไม่เคยสังเกตหรือว่าอะไรหนอจะทำให้ศีลเกิดได้ง่ายได้สะดวกที่สุดเนี่ยเอาอะไรเอาศรัทธาเอายอมแม่ศรัทธาท่ า, านไนโยนิโส แล้วก็มีสัมมาสังกปะแล้วก็มีวัจเจตนาเม่งเอาอะไรอาไ่าเม้งเอาอะไรอะไรเป็นเหตุกล้ของศีลที่จะทําให้ศีลเกิดเนี่ยเจตนาใช่ไหม เ, เจตนาเอายอมบีความรู้หิริอัตตปะเอายมลำเจียดแล้วเจตนาเจตนาแบบไหน เจตนามีสองส่วนนะเจตนาจะฆ่าก็ได้ <c oughs> เจตนาจะโกรธก็แล้วแล้วว่าไงเอาอะไรดีความรูม้ถ้าตามคำพีและหลักฐานที่กล่าวกันมายาวนานเนี่ย <c oughs> เขาจะเอาฮิริโอตปะ <c oughs> เป็นเหตุใกล้ของสี แต่นีแต่นีคือหีริโอตาปาเนี่ยเป็นเหตุใกล้กองศีลได้จริงๆไม่ใช่ไม่ได้แล้วก็เป็นเหตุใกล้ชิดด้วยแต่ไม่ใช่มีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเท่านั้นที่เป็นปัจจัยต่อศีล ย, ยังมีตัวอื่นด้วยเช่นศรัทธาก็ได้โยนิโสมนัสการก็ได้เนี่ยแต่หลักๆจริงๆเนี่ยคนตอบยอไอ้ฮีริโอตาปาเนี่ยถูกต้องตามหลัก ในศีลในวิสุทธิมรรคจะบอกไงฮิลิโอตปาพาเปิเหตุกายของศีลความละอายตัวบาปความเกรงกลัวตัวบาปศีลจะเกิดขึ้นง่ายทีนี้ไม่ใช่มีแค่สองตัวนี่นะความเชื่อมั่นในคุณของพระรันาตนตรัยก็เป็นตัวกระตุ้นได้ด้วยนะปัญญาได้อะไรได้หมดแหละจริงๆเนะี่ยมาได้เยอะที่จะเป็นปัจัยเกิดศีล น, นะแต่ให้เราสังเกตให้ดีว่า ยังไงเนี่ยตัวฮิริโอตาปาก็ยังคุมเกมอยู่ความละอายต่อบาปเกรงกตัวตบบาปเนี่ยเพราะว่าในบรรดากุศลทั้งหลายที่เป็นเหตุใกล้ของศีลเนี่ยฮิริโอตาปากขเป็นกลุ่มโสพณธรรมใช่ไหมเป็นธรรมที่เกิดร่วมกับโสพณะอยู่แล้วทีนี้ตัวไหนจะเด่นฮิริโอตาปาต้องเด่นก่อนเนคนที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลกักทรัพย์คนที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายอะไรเนี้ยก็ต้องมาตรงนี้แต่ฮิริโอตาปาเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของศีลที่เป็นวาลี่ศีลเนี่เป็นหลัก แต่ถ้าจารีตศีลนะ่ยมาจากเจตนาก็ได้มาจากศรัทธาก็ได้มาจากปัญญาก็ได้มาจากสติก็ได้หลายตัวมากนะหลายตัวมากตัวนี้ต้องเข้าใจให้ชัดนี่เราก็ต้องดูว่าถ้าไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยต้องฮีริอตัตตะเด่นไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจอือแต่ถ้ามีเจตนาเจฏิบัติดีแต่พ่อแม่นี่เจตนาก็ได้ไหมศรัทธาก็ได้ปัญญาก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเออต้องดูตรงนี้ให้ชัดด้วย ว่าระหว่างจารีสีนวารีสีนเนี่ยในแยกกันให้ออกแต่ถ้าหิริโอตปาเนี่ยวารีสีนี่ชัดเลยในว่าในองค์ของศีนั้นศีนหลักศีนหลักศีลที่เป็นประธานศีนที่เป็นปฏิโมกทั้งวาระศีนถ้าสีลที่นอกคือพวกเจตนาสีนทั้งหลายเลยไอ้พวกจารีสีน์ทั้งหลายคือนอกปฏิโมกไม่ใช่ศีนที่เป็นประธาน ได้มาถึงเหลวมาชั้นเปลี่ยนทีนี้เริ่มเข้าใจได้ออยังเนี้ยวนี้ฮอยากให้พวกเราฝึกปลาโมดกันนะอย่าลืมตัวให้ปลาโมดไว้ถ้าเจอหน้ากันก็ต้องรีบกระแอมกันหน่อยนี่นี่คนปลาโมดไม่เกิดแล้วนี้ก็ต้องต้องหรือว่า เตือนกันบ่อยๆคุณไม่ได้ปลาโมดคุณอยู่ห่างพระนิพพานไอเวอรนี้ยพอปลาโมดชาปลอุโรปประสันอภิษฐานอธิขเชประทางสันประทางสันตังเห็นไหมสังขารูปปออุสมรสไม่นึกไม่ออกเนี่ยตรงเนี่ยไม่ต้องกล่าวบอกเพียงเด้วยว่าเนี่ย คนไม่ได้ปลาโมดคนอยู่ไกลพระนิพพานใช่ไหมถ้าใครมีปลาโมดอยู่ใกล้พระนิพพานแต่ปราโมดเนี่ยต้องเป็นปลาโมดที่เป็นกุศลนะไม่ใช่ดูภาพยนตร์ล้ปราโมดดูเล่นเกมแล้วปลาโมดเนี่ห้ามห้ามเด็กค่ะนี่นี่ไม่เอาไม่เอาเพอเล่นเล่นเกมเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อะไรอย่า ง, งเงี้ยบอกกังนงั้นไปเก็บผักอะไรเงี้ยนะแล้วก็อะไรนะเล่นะ แล้วก็ปลาโมดอย่างอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เด็ดขาดจะไปบอกว่าเป็นกุศลตรงนี้ต้องต้องช่วยอธิบายบ่อยๆว่าไม่ใช่กุศลนั่นเจอหน้ากันก็ต้องทาปลาโมดให้เกิดขึ้นเข้าใจไหมทีนี้แม่งทาทาได้ไมยากไหม ยากไม่ยากเราหายใจเนี่ยทําจิตให้ให้ให้ให้เบิกบานแล้วหายใจเข้าลองดูทีทำจิตให้โปร่งเบาหายใจออกลองดูทีเบิกบานไหมเนี่ยทำบ่อยนในขณะที่ฟังแล้วได้ความรู้ได้ความรู้ได้คําได้รู้คําสอนพระเจ้าเกิดปาโมดไหม ทั้บางครั้งทําไมนั่งสับปปงบนนี้แสดงว่าตอนนั้นปลาโมดไม่เกิดสิเราเป็นผู้ทําตนเองจริงๆเนะี่ยหน้าเหงาหน้าเศร้าหงอยเหงาทําสภาพตาเอย้ยสีหน้าแววตาออกมาทะมึงทึงทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครทําให้เราเลยเรานี่แหละเป็นผู้ทําตนเองใช่ไหมเนี่ยเราไม่มีปลาโมด นี่เป็นพื้นฐานการปฏิบัติธรรมแต่ก่อนเนี่ยไม่มีใครสอนเราในเรื่องตรงเนี้ถ้าไม่ได้ตรงนี้จบเลยไม่ได้จิตปลาโมดเสร็จเลยไปไม่ถึงเกิขึ้นดวงดาวเลยปลาโมดปีติปสัสสติสุขสมาธิยถาภูตยานนะัทสนานิพิทาเวลาคาวิมุตติมันเป็นเส้นนี้เส้นที่จะบรรลุธรรมไม่ได้มาแบบเคร่งเครียดขุมไม่พูดกับใคร ปลีตนเองออกไม่สนใจใครมันไม่ใช่อย่างนั้นเวลาปฏิบัติธรรมต้องทำหน้าเข้มเข้มไม่ใช่ในพระในพระศาสนาดูตอนที่พระเจ้าปรเสนที่โกศลไปฝ้าพระพุทธเจ้าตอนที่จะถูกฐปตะหารท่านไปบอกว่าโอ้โหเวลาไปเจอพระเนี่ย ท่านเดินจงท่านยืนเดินนั่งทํากิจกรรมของชีวิตในการปัดกวาดทั้งหลายเนี่ยดูอินทรีย์ผ่องใสดูท่านสงบดูปราโมชนเกิดตลอดน่ะเห็นพระแต่ละรูปแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยเบิกบานทุกรูปเลยว่างั้นแต่แต่ไปเห็นกลุ่มเดรัจีพากันเศร้าหมองหงอยเหงานั่งเศร้าซึมเหมือนคนเป็นโรคว่างั้นเหมือนคนเป็นโรคนั่งมือลอยเศร้าเศร้าหงอยเหงาบางคนก็นั่งทรมานตนเอง ดูเหมือนท่านมีบาปประกรรมอะไรกําลังให้ผลท่านอยู่แต่เวลามาเจอพระในพระศ า, าสนาดูท่านผ่องใสล่าเริงเบิกบานในการยืนการเดินการเหลียวดูการมองกิจต่างๆนี่ดูสีหน้าแววตาท่านดูผ่องใสยอยู่ตลอดเวลาเลยนี่ต่างกันมากเลยไหมคือปราโมทนั่นเองเ <c oughs> <c oughs> มื่อเจอพระในยกนี้ก็เป็นนังเครียดถามถึงไหม หนี้สินเยอะต้องก่อสร้างใช่ไหมเงินเมงปฏิบัติผิดแล้วที่ว่าไปนั่งเครียดๆผิดเวลาไปนั่งหลับตาทําสมาธิก็ดูโหมองไปแต่แตละคนนี่เอาจริงเอาจังเลยเกินเยอะบางคนเนี่ยนะนั่งแบบประเภทที่เอาจริงเอาจังตั้งใจแบบเครียดเลยะเคยเป็นไหมล่ะนั่งกรรมฐานมันต้อง ยิ้มจิตมต้องยิ้มอยู่ข้างในเป็นอย่างนั้นทุกครั้งไหมหรือนั่งซึมเครียดจะต้องดูล้มให้ได้ดูล้มไหย <c oughs> เป็นยังไงยังไม่เป็นงันไหมอย่างนั้นผิดจริงๆก็ผ่อนคลายก็เบิกบานฉันต้องฉันชอบสังเกตเลยเวลาใครนั่งกรบทฐานนี่ก็ดูโอ้โหเอาจริงเอาจังนะ <c oughs> นี่ก็น่าข่อมใช่ไหมเราเพราะเรารู้ว่าเนี่ยเจ้เนี่ยเดินจิตผิดเดินผิดแล้วบางคนก็นั่งแล้วดูหน้ายิ้มตลอดเลยเออไม่ใช่แต่ไม่ใช่ไปนึกถึงไอ้เรื่องที่มันตลกแล้วยิ้มเราก็ยิ้มเหมือนกันจะเป็นนึกถึงเรื่องไม่ใช่คือเบอิกบานจา ก, กุศลฉะนั้นนี่เป็นพื้นฐานมากเลยพื้นฐานที่จะต้องได้ปลาโมดตลอดทั้งวัน ถ้าปลาโมดหายไปปุ๊บแปลว่าช่องทางการเดินกุศลผิดทางนี่ยังผิดแล้วต้องตั้งปลาโมดขึ้นมาใหม่ตั้งปลาโมดขึ้นมาใหม่ปลาโมดเกิดขึ้นเองหรือต้องตั้งใจให้เกิดมันเกิดเองตามธรรมาชาติหรือตั้งใจต้องตั้งใจให้เกิดนั้นมาจากไหนมาจากเจตนาเ น, นี่แหละมาจากกรรมนี่แหละมาจากการงานการกระทําที่จะทําให้เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตให้เกิดขึ้นทีนี้ปลาโมดเนี่ยต้องมีอาหาร ใช่ไหมก็มาจากกายสะอาดวาจาสะอาดอาชีพที่บริสุทธิ์มาจากกุศลทั้งหลายที่เราทํำนี่แหละนั้นก็หยิบเอากุศลที่เราทําทั้งหลายเหล่านั้นมาปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งมาะลึกมาลึกมาใส่ใจบ่อยๆเรื่องปราโมดก็เกิดขึ้นเพราะปลาโมดเกิดขึ้นแปลว่าตั้งหลักได้แล้วเขาเรียกว่าถ้าปราโมดไม่มีในใจไปแล้วตอนนั้นล้มล้มแล้วนะกุศลล้มแล้วนะตั้งปราโมดขึ้นมาใหม่ไปเริ่มตั้งไขได้แล้วเนี่ยนี่อยู่อยู่ใกล้อยู่ใกล้พระนิพพานแล้วอยู่ใกล้แนวทางการบรรลุแล้ว ให้นึกอย่างนั้นตลอดเจอหน้ากันก็ทักวันนี้ได้ปลาโมดกี่ครั้ง <c oughs> ใช่ไหมว่เห็นกำลังเครียดเนี่ยตอนนี้คุณไม่ได้ปลาโมดแปลวคุณกำลังอยู่ไกลพระนิพพานนะเจอหน้ากันให้ถามกันนี้ทักกันนี้อันดับแรกถามว่าวันนี้ปลาโมดเกิดดีไหเขาใจยัง <c oughs> <c oughs> บ่อยไหมสังเกต ด, ดูปลาโมดเรนี้เกิดบ่อยไหมวันหนึ่งวันหนึ่งเอางี้จับหลักได้แล้วนะสรุปแล้วก็ปลาโมดที่จริงพูดในเรื่องของอคัญยสูตรไว้แล้วมาเข้าปลาโมดได้ไงอ๋อความผองเทีนั้นในอคัญยสูตรเนี่ย แปลว่าอะไรกลุ่มอาพัสระทั้งหลายที่มาอยู่ในโลกนี้ครั้งแรกมนุษย์ต้นกลับมนุษย์ใหม่ๆที่มาอยู่ในโลกใบนี้ยใหม่ๆเนี่ยปราโมดปีติปัสสติสุขสมาธิเด่นมากแสงสว่างออกเกืกตัวกันทั้งนั้นแต่พออยู่ต่อมาเนี่ยมาเกี่ยวข้องการงานมาอะไรต่างๆมีเรื่องไรวุ่นวายมากขึ้นเนี่ยแสงเริ่มลดลงลดลงลดลงลดลงลดในเข้าปลาโมดไม่มีมีแต่เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้น พอพ อ, อ ก, กิเลสในใจมันก้มรุมขึ้นมาป๊บขึ้นมาหนักเข้าหนักเข้าแต่ก่อนเนี่ยพอปราโมทหายปิติในใจหายไหมพอปิติในใจหาย Hulk, แต่เนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วไอ้ตัณหาขึ้นมาครอบงําแล้วอยากอยากจะหาความสุขแล้วตามตัณหาบงการแล้วก็เห็นดินที่มีสีอรุณขึ้นมาสีมันสวยสดครองงำก็หอมเนี่ยหนักเข้าหนกเ้าคานาประสาทเกิดขึ้นหอมหอมกินดินแล้ว แลเขาเกิดชิวหาประสาทนี่อยากจะลิ้มกลิ่นดินแลก็หยิบดินมากินหรือโอ้อร่อยเพราะอร่อยก็ชื่นใจปราโมดเปลี่ยนทิศแล้วใช่ไหมแทนที่จะไปปลาโมดปีติที่เป็นไปกับกุศลกับปราโมดปีติที่เป็นไปกับกามาคุณเลยตอนนี่ยเอาละเริ่มกินเลยแต่ก่อนเนี่ยมนุษย์ไม่ต้องกินพวกเนี้ยอยู่ได้มีปีติเป็นพักษาหารมีปลาโมดอยู่ได้สภาพร่างกายอยู่ได้เลี้ยงร่างกายอยู่ได้มีแสงสว่างออกจากตัวนะ้วเขามันเปลี่ยนทิศทางจากกุศลมาเป็น อกุศลเอาแล้วแต่เนี้ยกินง้วนดินกันเออพอกินหน่อยก็สุกใจไปในหน่อยที่เป็นปาโมดที่เป็นไปกับตัณหาดิใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นปาโมดกุศลแล้วแต่เนี้ยมันกลายเป็นปีตินะมันเป็นอะไรนะสมมานัตสหกตังทิฏฐิขตาสัมปยุตังแล้วแต่เนี้ยอาสังขารศาสังขาแล้วเป็นโลพาสมมนัตมันสมมานัตที่ได้กินดิน มิปิติได้กินนากข้าวนักข้าได้ดมได้กินโอ้โหตัณหาเริ่มเกิดเพราะนาข้าวนาเข้าวดินเริ่มจะหมดหมดความหอมก็มีข้าวขึ้นมาแทนเรียกข้าวสาลีโอโ้ข้าวสาลีหยิบกินได้ไม่ต้องเอามาหงกาลังบุญยังดีอยู่นาข้าวนาข้าวแต่นี่มนุษย์เริ่มแย่งกันแล้วเริ่มแย่งไอคนนึงมันโลภจัด ความโลภมันมากขึ้นมันไม่เอาน้อยแล้วนะจริงไม่จริงมันเริ่มเอามากแล้วเอามาเก็บเก็บเก็บเก็บอเอาแล้วไปเริ่มเริ่มวุ่นวายกันเลยตอนนี้ให้ตกลงกันไม่ได้เรื่องแล้วกักปเริ่มมาจัดสรรกันดีกว่าคนละเท่าไร่เท่าไหร่เท่าไหรเพราะจัดสรรเสร็จเสร็จไอเจ้านี้ร่วงละเมิดเลยอธินาทานเกิดแล้วตอนนี้แต่ก่อนไม่มีอธินาทานนะเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับว่ามาขีดเขตแดนทําสมมุติตกลงกันขึ้นมามีเจ้าของแล้ว มันเหมือนสถานที่ตรงเนี้จะไปเกลียดแดนว่าเออของฉั้นเท่านี้ของชั้นเท่านี้แล้วใครไปล่วงละเมิดคนอื่นอาทิตย์นาทานไอ้คนไปล่วงละเมิดบอกว่าไม่ได้ล่วงละเมิดอีกบอกว่าไม่ได้ไปเอาอีกมูสาวาตตามมาแล้วทต่นี้ยนะเขาก็ปะทุสลายกันเบียดเบียนกันหุ้ยเดือดร้อนพอเดือดร้อนขึ้นมาเฮ้ยชักไม่ได้เรื่องแล้วกาประชุมกันใหม่พอมาประชุมกันเสร็จปุ๊บก็เริ่มบอกเนี่ยตอนนี้ความเดือดร้อนไอ้ทั่วไอ้กลุ่มบา ป, ปรกรรมความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นกับหมู่สัตว์นี่แล้วไม่มีชื่อกันนะ อสัตเนี่ยมีความชั่วร้ายกันเกิดขึ้นทํากิจที่ไม่ควรทําทําเกิดขึ้นทํำยังไงดีปรึกษากันเอ้ยต้องตั้งหัวหน้าขึ้นมาแล้วต้องหาผู้นําสมมุติขึ้นมาก็ เ, าเรียกพระเจ้ามหาสมสมุติสมมุตินะให้คนเป็นผู้นําเป็นใหญ่ขึ้นมาระบบการเลือกตั้งก็เกิดขึ้นในโลกครั้งแรกเขาเรียกระบอบประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นในครั้งแรกในโลกใบ น, นี้ก็คือเนี่ยมาจากปัญหาความเดือดร้อนนี่แหละ อาคน<ะ>ฟังได้๋อ้เด็อได้ได้ประมาณสิบโมงครึ่งก็ฉันทัน พอมองเห็นนี่ยังแต่เนี้ยเรียบร้อยแล้วนะผมนี่ีกระเป๋าใบเดียวก็ไปแล้วนี่นี่เข้าใจคำว่าในอคัญญสูตรเป็นอย่างนี้ทีนี้พอต่อมามีอะไรเกิดขึ้นมาทีนี้พอประชุมเสร็จเสร็จก็มีผู้นำตำหนิคนที่ควรตำหนิ ขับไล่คนที่ควรขับไล่ลงโทษคนที่ควรขับลงโทษท่านไม่ต้องไปทํากิจกรรมอย่างอื่นแล้วท่านมีส่วนแบ่งจากพวกเราแบ่งให้เป็นส่วนของท่านโดยเฉพาะนั้นพระเจ้ามหาสมมุติเนี่ยที่ว่าเลือกตั้งระบบเลือกตั้งก็เกิดขึ้นก็เลือกสมมุติให้ขึ้นมาเป็นผู้ว่ากล่าวพูดที่ควรว่ากล่าวเป็นผู้ตําหนิคนที่ควรตาหนิ ขับไล่คนที่ควรขับไล่โดยชอบพวกเราจะแบ่งส่วนข้าวสาลีแก่พวกนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงพากันไปหาสัตว์ที่สง่างามน่าดูน่าชมน่าเลื่อมใสและน่าเกงขามอย่างยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหมดแล้วก็แจ้งแจ้งความดังกล่าวมาม า, มาเถิดท่านสัตว์บุรุษผู้เจริญท่านจงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวตำหนิคนที่ควรตำหนิโดยชอบขับไล่คนที่ควรขับไล่โดยชอบเถิดพวกข้าพเจ้าจะแบ่งส่วนข้าวสาลีให้ท่าน กษัตริย์ผู้นั้นได้รับสัตว์ผู้นั้นก็ได้รับคำของสัตว์เหล่านั้นแล้วเพราะเหตุที่เป็นมหาชนเลือกขึ้นมาจึงเรียกมาสมมติขึ้นเป็นปฐมเอาแล้วแต่นี้เรียกขึ้นมาแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยมนุษย์ยังที่ได้บอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีเพศหญิงเพศชยายไม่มีทีนี้พออยู่ด้วยกันนานเข้า น, านานเข้าก็จ้องหน้ากัน ไอคนที่เคยมีอัธยาศัยสัตว์นี่ที่มีอัธยาศัยเป็นหญิงมาหลายล้านล้านอัตภาพเป็นนี้มีหละเป็นชายหลายล้านล้านอัตภาพเพศภาวะก็เริ่มปรากฏเกิดขึ้นจากการมองหน้ากันเนี่ยมองกันไปมองกันมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่งนั่งอยู่เนี่ยเคยเป็นหญิงมาไม่รู้เท่าไหร่เคยเป็นชายมาไม่รู้เท่าไหร่นี่ในแต่ละคนเนี่ยจะกลับไปเป็นหญิงก็ได้จะกลับไปเป็นชายก็ได้หรือจะไปกลับไปเป็ น, ปนไม่มีเพศก็ได้จะเป็นพรมก็ได้เนี่ยเราลองเจริญฌานสมาบัติดูนะ พอได้ฌานสมาบัติปุ๊บทนเม้งนี่ยนะไปเกิดเป็นพรหมปุ๊บเพศหายหมดเลยความเป็นหญิงเป็นชายหายไปหมดก็เป็นแค่สัตว์ป็นพวกหนึ่งเท่านั้นเองอาพรหมนี่ใช่เป็นน้างสักลิงไหมไม่มีเพศนะเป็นไม่มีเพศหญิงเพศชายปรากฏเป็นกระเทยไหมไม่ใช่เป็นนั้นพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยมา ต้นกำเนิดของพวกเราเนี่ยไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายมาอยากกลับไปอยู่สู่ฐานะเดิ ม, มั้มแต่ก็ไม่ใช่ทางพันทุกทุกนะเนี่ยพอทีนี้พอเพศปรากฏจั์ก็ไปทำกรรมลาโม ก, กันเข้าใจใช่ไหมผู้หญิงกับผู้ชายก็ไปทำกรรมลาโม ก, กัน ทีนี้พอมีศาสตร์เห็นปุ๊บเขาตกใจเลยนะวุ้ยทาไมกระทากรรมชั่วชากันขนาดนี้เขาก็เอาไม้เอาก็ดินไล่ไปคว้างขับไล่ตีเพราะมันทํากรรมที่ประหลาดเขามองอไหมมองเขาก็ไปคว้างไปตีไประขับไล่แล้วพวกนี้ก็ไปวิ่งหนีหนีไปก็ไปสร้างหาอะไรเป็นที่กําบังไอ้บ้านหรือที่กําบังทีแรกจริงๆเขาไว้ทํากรรมชั่วข้อนี้กัน เขาเลยเรียกบ้านขึ้นมาไปแอบทําชั่วกันไปแอบทําทําผิดศีลข้อนี้กันเนี่ยก็เรียกเป็นบ้านมีที่ไหนแล้วก็อยู่กันก็มนุษย์ก็เป็นธรรมชาติแล้วก็อยู่กับธรรมชาตินี่แหละนี่เป็นอย่างนี้นี่ให้รู้ให้รู้ประวัติศาสตร์ ให้รู้ต้นสายไปเหยว่ามนันษว์สัตว์มาแบบนี้นะนเข้านเข้าก็เลยกลายเป็นว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นก็มีการทำให้มันถูกต้องจะเกี่ยวข้องกับใครก็เกี่ยวข้องแล้วก็สมมติกันสมมติแต่คนที่เป็นเพศภาวะชายว่าเป็นสามีเป็นหญิงก็เป็นภรรยาก็สมมติกันขึ้นมาอีกแล้วก็ายอย่างแท้จริงมันเป็นกันจริงไหมโดยสภาวธรรมไม่เป็นเราก็สมมติ แต่ถ้าใครผิดสมมุติเขาผิดศีลไงเนี่ยผิดกติกานี่แหละเช่นเนี่ยตั้งกติกา น, นี่เป็นข้าวไอ้ น, นี่เป็นส่วนแบ่งของใครใช่ไหมเป็นของใครของใครใครไปล่วงละเมิดก็เป็นอธินนาทานแต่ข้าวมันไม่ใช่มีแค่ข้าวสาลีเนี่ยมีพื้นแผ่นดินด้วยต้นไม้ด้วยมีเงินทองอะไรต่างๆอย่างอื่นด้วยนั้นเขาก็เรียกว่าใครไปล่วงละเมิดตรงนั้นมาก็ผิดพอไป ไปทาแล้วบอกไม่ได้ทํามุสาวาจก็ตามมาถ้าไปล่วงละเมิดบุกภรรยาหรือสามีกับผู้คลอื่นการเมษมิจฉาจารก็ตามมาอย่างเงี้ยมันกัไหลไปตามลําดับเนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้พอมองเห็นนีอยังฉะนั้นถ้าถ้าไปอยู่ในบางประเทศไม่มีนะไม่มีข้อห้ามเช่นในเผ่าของคนป่าเนี่ยเขาไม่มีที่ของใครหรอกใช่ไหม มันอยู่กันตามป่าเขาลมเนาภัยนะ่ไม่มีที่กองขครไม่มีอธินาทานแล้บางแห่งบางที่สามีบรรยาเขาเขาเขาไม่ไม่มีกติกากันก็ไม่มีการเมสมิชาวยจานใช่ไม้มอย่างเช่นอุตรกุรุทวีปเนี่ยมันจำกันไม่ได้จำกันไม่ได้เลยคือหน้าตาจะเหมือนกันหมดเลย อา ย, อายุคือเหมือนทรงคนเป็นทรงเดียวกันหมดนะ่ะทรงเดียวกันหมดเลยเพราะไปเห็นกันเกิดความกำหนัดยินดีก็ไปเกี่ยวข้องกันพอเกี่ยวข้องกันก็ไปแล้วไปต่ายคนต่างไปเวลาจะท้องขึ้นมาหน้าท้องก็ไม่นูนออกมาไม่มีปวดท้องมีคลอดก็ง่ายพาอคลอดเสร็จปุ๊บเอานิ้วแยไปที่ปากน้ำนมก็พุ่งออกมาแล้วก็จากไปเลย ใครมาเห็นสงสารก็เอานิ้วแย่ใส่นิ้วมือเด็กคนนี้เดยวก็โตขึ้นมาเท่ากันก็อายุเท่ากันเยิ้นตลอดเหมือนกับี่บห้าปีตลอดส0ปีตลอดอยู่ยแค่ยี่เนี้ยแต้าอายุพันปีถึงเวลาตายตายปุ๊บก็มีนกหัสดีลิงภาพศพไปทิ้งที่อื่นยังไม่เห็นความเป็นอสุภากันเลยนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาเขาเขามีกาลังของ ตัณหาตัณหาของเขาเนี่ยมันอยู่ระดับกลางๆไม่มากเขาเกี่ยวข้องกันก็ไม่ได้วิจิตวจจงเหมือนมนุษย์ในโลกมนุษย์พวกเราเนี่ยหูจะต้องอะไรวิจิตไม่ได้แต่ไม่ตกนรกด้วยตายแล้วก็ไปอยู่ในเดาดึงก็ปัญญาเขาอยู่ระดับกลางอินทรีย์เขาได้ระดับกลางหนึ่ง ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีคนมรรูุ้ธรรมอุตรากุรุทวีปกุศลกรรมบทใช่เขาไม่ผิดกรรมบทกันเลยหนึ่งพันปีอายุอายุขึหนึ่งพันปีอยู่กันแบบเรียบง่ายอยากไปไหมนะตั้งจิตอธิษฐานแล้วไปเลยได้ อยากไปไหมอ๋อสบายไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ต้องหากินอะไรต่างมีอุดมสมบูรณ์กุศุลกรรมมีของกินของเที่ยวของใช้ไปได้เรื่อยเรื่อยสนุกสนานกันเหมือนสวรรค์นะ่ว่าันเถอะแต่ว่ามันหยาบอย่างมนุษย์ก็กินของหยาบหยาบเลยหยาบยาบนี่แหละเหมือนมนุษย์หรอหน้าตาเหมือนกันหมดไม่มีเป็นของใครไม่มีที่เป็นของใครเฉเพาะเจาะจง ใช้ได้ทั่วกันถึงกันหมดอยู่กันแบบเป็นอิสระเลยเพราะงั้นเดี๋ยวกำลังกุศลสมดุลกันก็ไปอยู่ในพบเนี้ยดีไม่ดี mm hmm. ก็กำลังปัญญาได้ระดับกลางไม่ได้ระดับสูง mm hmm. ก็ศีลห้าบริบูรณ์ ไม่มีก็มีแต่ว่าพระประเจ ก, กเออไปพระเจ้าจาักรพรรดิไปใช่ไหมปกครองเนี่ยก็ไปก็ไปให้ศีลห้าไปต่างๆให้เจริญกุศลกรมาบทแล้วก็ยังมีเลยพวกที่ตามพระเจ้าจาักรพรรดิมาก็มีอพอพอตามมาปุ๊บต่อมาก็มาอยู่ในแฟนกุุปัจจุบันเนี่ยก็คือเดนรีเนี่ยมาจากแฟนกุอุตลากุุทวีปแล้วจึงเป็นแฟนที่เป็นคนมีปัญญามาก มีปัญญามากแล้วต่อมาพุทธเจ้ามาแสดงสถิติประธานสูตรในในแฝดนี้แหละนี่แหละงันคนที่เกิดในแฝเนี่ยต้นกำเนิดรากเงาก็มาจากอุตรักษ์รุธวีนี่มองเห็นเรื่องกรรมเนาะได้ชัดขึ้นเลยไหม ทีนี้เหลือเ ว, เวลาอีกห้าหกนาทีมีใครถามอะไรไหมไม่ถามจะได้อุทิศ ส, ส, ส่วนกุศลกัน